168่งรย์สมนุะมังสะปฏิเคปะกถาว่าด้วยทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์เรื่องอุบาสิกาสุ ป, ปิยาเชื่อดเนื้อขาอ่อนถวาย280ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงราชคฤต์ตามพระอัจยริยสัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงพาราณสีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนะมรุคทายวันในกรุงพาราณสีนั่นเองสมัยนั้นอุบาสกสุ ป, ปิยะและอุบาสิกาสุ ป, ปิยาทั้งสองคนมีศรัทธาทั้งเป็นทายก เป็นกัปปิยะการกเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์ในกรุงพาราณสีวันหนึ่งอุบาสิกาสุปิยาไปที่อารามเดินเที่ยวไปตามวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดอาพาธรูปใดจะให้ดิฉันนำอะไรมาถวายเจ้าข้า สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาถ่ายลำดับนั้นท่านได้กล่าวกับอุบาสิกาสุปิยาดังนี้ว่าน้องหญิงอาตมาดื่มยาถ่ายอาตมาต้องการน้ำต้มเนื้ออุบาสิกาสุปิยากล่าวว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะนำมาถวายเป็นพิเศษ แล้วกลับไปบ้านสั่งคนรับใช้ว่าเจ้าจงไปหาซื้อเนื้อสัตว์ที่มีขายมาคนรับใช้รับคำแล้วไปเที่ยวหาซื้อเนื้อทั่วกรุงพาราณสีก็ไม่เห็นเนื้อสัตว์ที่มีขายลำดับนั้นคนรับใช้นั้นจึงกลับเข้าไปหาอุบาสิ ก, กาสุปิยาบอกว่าแม่เจ้า ไม่มีเนื้อสัตว์ที่เขาขายวันนี้เป็นวันห้ามฆ่าสัตว์ครั้งนั้นอุบาสิกาสุปิยาได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุเป็นไข้รูปนั้นเมื่อไม่ได้ฉันน้ำต้มเนื้ออาพาธจะกําเริบหรือถึงมรณภาพได้การที่เรารับคําแล้วไม่จัดหาไปถวาย ไม่สมควรเลยจึงได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาอ่อนตนทรงให้หญิงรับใช้สั่งว่าแม่สาวใช้เธอจงต้มเนื้อนี้แล้วนำไปถวายภิกษุไข่ที่วิหารหลังโน้นและใครถามถึงเราก็จงบอกว่าเราเป็นไข่แล้วใช้ผ้าห่มพันขาเข้าห้องนอนบนเตียง ลำดับนั้นอุบาศกสุปิยะไปบ้านถามหญิงรับใช้ว่าแม่สุปิยาไปไหนหญิงรับใช้ตอบว่านายท่านแม่เจ้าสุปิยานั่นนอนอยู่ในห้องอุบาศกสุปิยะเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับอุบาสิกาสุปิยาดังนี้ว่าเธอนอนทำไม อุบาสิกาตอบว่านิฉันเป็นไข้อุบาสกถามว่าเธอเป็นโรคอะไรอุบาสิกาจึงเล่าเรื่องนั้นให้อุบาสกสุปิยะทราบครั้งนั้นอุบาสกสุปิยะร่าเริงเบิกบานใจว่าน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญ แม่สุปิยามีศรัทธาถึงกับสละเนื้อตนเองสิ่งใดอื่นทำไมนางจึงให้ไม่ได้แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุสเนียภาพครั้งนั้นอุบาสกสุ ป, ปิยะทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วกลับไปเมื่อผ่านราตรีนั้นไปอุบาสกสุ ป, ปิยะสั่งให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตแล้วให้คนไปกราบทูลพัฒกาลพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของอุบาสศกสุปิยะประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมภิกษุสงฆ์ลาดับนั้นอุบาสศกสุปิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภยิวาทแล้วยืนณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุบาสกสุปิยะดังนี้ว่าอุบาสิกาสุ ป, ปิยาอยู่ที่ไหนอุบาสกกราบทูลว่านางเป็นไข้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอให้นางมาเถอะอุบาสกกราบทูลว่า นางไม่สามารถมาได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอช่วยพยุงมาเถิดอุบาสกสุปิยะพยุงพัญยามาเฝ้าทันทีที่นางได้เห็นพระผู้มีพระภาคแผลใหญ่กลับหายเป็นปกติมีผิวพันุ์เรียบสนิทเกิดโลมาชาติลำดับนั้น อุบาสกสุปิยะและอุบาสิกาสุปิยาร่าเริงเบิกบานใจว่าน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพียงได้เห็นพระองค์เท่านั้นแผลใหญ่กลับหายเป็นปกติมีผิวพันธุ์เรียบสนิทเกิดโลมาชาต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 ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีระถาแล้วทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับ